บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเรื่องอวิชชาซึ่งเป็นรากงาวของกิเลสที่ได้กล่าวมาโดยลำดับนั้นเพิ่งสังเกตว่าบรรดาอากุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่ากายก็ตาม ซึ่งบางครั้งเวลาท่านขยายออกไปถ้าขยายถึงกิเลสพันห้า ต, 1, 5, ตนาร้อยแบบแต่เมื่อกล่าวโดยเนื้อหาสาระแล้วก็เป็นอาการของความพปกดกหลงซึ่งตัวความหลงนั้นก็คืออวิชชาตั้นเด็ททำลองเดียวกับสีทั้งหลายซึ่งปรากฏในโลกนี้ดยแล้วจะเป็นส่วนผสมของแม่สีทั้งสาม อกุศลธรรมทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นรู อ, นอาการที่ปรากฏอยู่ภายในจิตที่มีความมืดบอดในด้านเหตุผลทำให้บุคคลรู้อำนาจแก่ความโรคความกดความหลงที่เป็นอกุศลเมื่อเกิดขึ้นครุ้มรลุมใจจะปรากฏในลักษณะต่ า, างๆอย่างในกรณีที่เกิดขึ้นครุ้มรลุมใจเราก็เรียกว่า น, นิวรณ และในความเป็นนิวรณ์นั่นเองเพื่อสังเกตว่ามันก็คืออาการของความโรคปวดหลงเช่นการมฉันทานิวรณ์จิตเหนียวนึกตรึกนึกถึงเรื่องที่น่าใคลายน่าปรารถนาน้าพอใจว่าจะประลบเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วหรือคอยความรปรารถนาในอนาคตหรือกำหนดกำนัดเพลิดเพลิน อ, อยู่ในปัจจุบันก็ต่างนันก็เป็นอาการของความโรคความหลงซึ่งในขณะเดียวกันถ้ามีใครมาขัดขวางตัดรอน ไม่เราได้สิ่งที่เราอยากได้ความโกรธก็พร้อมที่จะเกิดขึด้นเพราะอาการเหล่านี้จึงเป็นอาการที่สามารถดูภายในจิตของตัวเองและสามารถดูจากการกระทำการพูดของคนว่าการทำเหล่านั้นการพูดเหล่านั้นสะท้อนมาจากอะไรเมื่อสืบสาวไปถึงจิตซึ่งเป็นตัวคิด ที่ทำให้ออกมาเป็นการกระทำเป็นการพูดก็จะพบว่าจิตก็จะถูกปรุงแต่งด้วยกิเลสประเภทต่างๆ แ, แต่สรุปรวมแล้วก็เกี่ยวเนื่องอยู่กับอวิชชาทั้งหมดเพราะวิชาเป็นรากเหง้าทำนองคล้ายๆกับต้นไม้มันจะใหญ่โตแต่กิ่งก้านสาขาออกไปอย่างไรก็ตามทำไปทามาก็เชื่อมต่อมาถึงรากของต้นไม้เหล่านั้น หากว่าไม่ไม่มีรากต้นไม้เหล่านั้นก็จเจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาไม่ได้กิเลสทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันด้แลได้สืบเนื่องมาจากาวิชาเพราะอาการของวิชาที่มีอยู่เป็นปกติภายในใจของบุคคลแล้วออกมาเป็นสถานภาพของบุคคลบางครั้งมีความรุนแรงเราเรียกคนอันตรพานบางครั้งแรงลงมาน้อยน้อยหน่อยเราก็เรียกว่าคนผ่าน หรื อ, อา จ, จะแรงน้อยลงกว่านั้นเราก็เอ่ยอาจจะเรียกว่าปุถุชนซึ่งซึ่งหมายความว่าทั้งหมดนั้นที่จริงแล้วก็มีอวิชชาจูเพียงแต่ว่ามากหรือว่าน้อยเท่านั้นเองอวิชชายิ่งมากเท่าไหร่ลักษณะนิสัยของคนก็จะมีความงมงายร้ายหตุผลรูป อ, อำนาจแก่รมากขึ้นจนกลายเป็นอันตรพานเป็นพาน เป็นปุถุชนึงก็แปลว่าเป็นคนที่มีกิเลสอย่างเราจะมองผลที่ออกมาเป็นรูปของความสุขความทุกข์ในกรณีที่สืบเนื่องมาจากอาวิชชาเมื่อก็มีความสุขที่ลดหลั่นขึ้นไปโดยลาดับเพราะว่าก็ตามความเป็นจริงแล้วอวิชชามาอยู่ภายในใจของคนทุกกลุ่มนอกจากพระอระหันต์เท่านั้นเอง ดัง น, นแสดงให้เห็นว่าถ้าวิชายิ่งจางลงไปเท่าไราก็าตามกิเลสประเภท เ, เราอื่นที่มีเสียกชื่ออย่างอื่นเช่นเป็นโลคโปรดหลงลิษยาอาฆาตแข็งดีเป็นต้นก็จะจางตามลงไปเพราะในมิจฉามทกซึ่งเป็นทางปิดอันแสดงให้เห็นถึงความมืดบอดในด้านเหตุผลและสติปัญญาของบุคคลทําให้บุคคลมีความเห็นและความคิด ซึ่งเป็นคุณธรรมแตซึ่งซึ่งเป็นนามนธรรมภายในจิตออกมาในรูปของความผิดผิดออกมาในรูปของความคิดผิดก็มีเห็นผิดแต่ความคิดผิดนั้นก็มีหยาบมีกลางมีละเอียดถ้าก็มไม่แรงเท่าไหร่มันก็สามารถที่จะชี้นําให้มาสู่ความถูกต้องได้ดังนั้นเราจึงเห็นการทํางานของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล พวกนักบวชนอกศาสนาทั้งหลายจะอยู่ในรัฐที่ทั้ง6ซึ่งปรากฏเผยแพร่กันอยู่ในสมัยนั้นเวลาท่านเหล่านั้นเข้ามาขอบวชในพระพุทธศาสนานั้นมันจะถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทประเภทหนึ่งมีความเบียดผิดที่ค่อนข้างแรงจะแก้ไขได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้มันจะต้องผ่านการพิสูจน์ทดสอบที่เรียกว่าอยู่สิทธิยะปริวาตก่อนสเดือน คือตรวจสอบความประพฤติความคิดความอ่านว่าอยู่ในคันลองแห่งธรรมได้หรืออย่างผมจะพูดจาชี้แจงแนะนําให้มาสู่คันลองแห่งธรรมได้หรือไม่ถ้ายัางไม่ได้ท่านอาจจะต่อไปเป็นหกเดือนเป็นแปดเดือนเป็นสิบเดือนเป็นสิบสองเดือนจนกว่ า, า จ, จะแน่ใจว่าบวชมาแล้วไม่สร้างปัญหาแก่หมู่คณะแต่นักบวชอีกประเภทหนึ่งที่จริงท่านก็เป็นมิจฉาทิจิเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้รุนแรงอะไร สามารถจะพูดจาชี้แจงให้เกิดความเข้าใจได้ผลของมิจฉาทิฏฐิท่านจึงแบ่งออกเป็นสองระดับระดับดึงที่แรงมากท่านเรียกว่าสักขาวนมักขาวรคือห้ามทั้งสวรรค์และห้ามทั้งนิพพานหมายความว่าตราบใดที่ยังไม่ละทิฏฐิเหล่านั้นโอกาสที่จะบังเกิดในสวรรค์โอกาสที่บรุพระกคนิพพานนั้นไม่มีแต่บางอย่างมันไม่แรงมากเกิดไปท่านเรียกว่าเป็นมักขาวรหมายความว่า เป็นตัวปิดกั้นไม่ให้บุคคลปฏิบัติแล้วบรรลุผลในผ่านได้เท่านั้นเด็แต่ก็สามารถทำเป็นบุญกุศลความดีอันดับล่างลงมาแล้วก็บังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้เพราะความเห็นผิดประเภทนี้จึงไม่ได้แรงอะไรสามารถที่จะแก้ไขกันได้ถ้าเหล่านี้เมื่อมาขอบวชในพุศาสนาพระเจ้าก็บวชให้เลยเพราะว่า อาจจะสูญเสียเวลาในการแก้ไขความประพฤติความคิดความอ่านกันอยู่บ้างแต่จะไม่ยากเย็นอะไรอาการของบุคคลทั้งสองประเภทนี้ที่จริงก็คือแสดงอาการของอวิชชาให้เห็นว่าถ้าอาวิชชามากมันก็มีปัญหาอยู่ทุกขั้นตอนอวิชชาน้อยลงหน่อยพร้อมที่จะรับฟังเหตุผลแล้วก็ปเปลี่ยนความคิดความเห็นของตัวเองมันก็ปัญหาก็น้อยลงไป อาการที่ปรากฏทางกายเป็นพฤติกรรมที่ประทุษร้ายต่อตอนเองและต่อบุคคลอื่นเป็นการกระทาของคนที่ไม่ฉลาดที่ท่านเรียกว่าอากุศลอกุศลก็คือโ ง, อคองอ่คือไม่ฉลาดเพราะอะไรเพราะมันขัดกับพื้นฐานความรู้สึกนึกคิดที่เป็นหลักของคนทุกคนว่ารักสุขเลียกทุกแต่การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกาลซึ่ง เป็นิษากรมันตะคือการทำที่ผิดหรือการประพฤติผิดนั่นเป็นการหาทุกข์หาภายัยหาเวณนาอันตรายมาสู่ตัวเองทงั้งๆที่บอกว่ารักตนทนอมตนแต่ว่าทำตนเป็นค่าศึกต่อตนดังนั้นในระดับนี้แม้ความคิดบางอย่างที่พระเจ้าทรงใช่ว่ามิจฉาสังกปะก็มีลักษณะอย่างนั้น หมายความความคิดนั้นเป็นศัตรูต่อตัวเขาเองความคิดเขาเป็นศัตรูของเขาเองนําความเดือดร้อนมาสู่ตัวเขาเองเมื่อคิดแล้วก็ทําออกไปก็กลายเป็นมิจฉากระพั น, นังกล่าวเราเห็นอาการของอวิชชาที่อยู่เบื้องหลังชัดเจนเคนโง่ทนั้นที่ฆ่าคนอื่นคนโง่ท่านั้นที่ลักทรัพย์คนอื่นคนโง่เท่านั้นที่ประพฤติในทางประเวณี เพราะว่าการกระทําเหล่านั้นไม่มีความจำเป็นอะไรและสิ่งที่เราได้รับผลจากการกระทําเป็นระยะสั้นๆไปรเดี๋ยวกระดาวแล้วก็จบไปแต่ผลของบาปประกรรมที่เกิดขึ้นจากการฆ่าการลักการรับผิดบิดในกาบนั้นมาติดตามเราไปทุกคนทุกแห่งสนองผลนับเป็นพบเป็นชาติบางเรื่องบางราวท่านบอกว่าตี0้าร้อชาติก็ยังไม่จบไม่สิน้น แต่การรู้สึกสะใจที่เกิดขึ้นจากการฆ่าการรู้สึกกับตัวเองได้ที่เกิดขึ้นจากการหลักการได้รู้สึกกับตัวเองสมใจพอใจที่เกิดขึ้นจากการล่วงละเมิดในทางประเวณีเป็นช่วงระยะเวลาสัส้นๆบาป ก, กรรมนั้นมีมากดังนั้นอวิชชาจึงมีอยู่มากถ้าวิชาไม่มากคนก็จะไม่ทําในลักษณะนั้น ที่จริงคนดีที่มีศีลมีธรรมอยู่ในศีนในธรรมก็มีอวิชชาเพราะขนาดพระนาคามียังมีอวิชชาอยู่เลยเพียงแต่อวิชามันไม่แรงทําให้ความโลภไม่แรงความโกรธไม่แรงความหลงไม่แรงวิสยาฆ่าก็ไม่แรงมันอาจจะเกิดภายในใจแล้วก็ดับไปภายในใจคือไปถึงก็ออกมาเป็นการกระทําทางกายทางวาจาในวจีทุจริตทั้งสี่ประการก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน เราเหว่าเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากอาาวิชชาเพราะว่าการพูดคำสัตย์คำจริงนั้นที่จริงพูดง่ายตรงตัวแดงก็ว่าแดงขาวก็าาว่าขาวเขียวก็ว่าเขียวเดึงก็ว่าเหลืองสิบคนก็ว่าส10บคนแล้วไม่ต้องมีอถาธิบายอะไรไม่มีการยืนยันถึงสิ่งที่เราพบเห็นเท่านั้นเองแต่ถ้าเราเกิดบิดเบือนข้อมูลที่เราพบเราเห็นตรงนี้จะสร้างปัญหามากมาย จะต้องมีการซักถามมีการซักค้านมีการคอยจับคอยสังเกตพิรุธและในที่สุดก็จะตายลายตันส่วนบาปนั้นเป็นเรื่องแน่นอนอยู่แล้วตั้งแต่มีเจตนาที่จะพูดเท็จแล้วก็พูดเท็จออกไปแต่ในแง่ของสังคมก็จะกลายเป็นคนสูญเสียศักดิ์ศรีไม่มีเกียรติภายในสังคมไม่น่าไว้เนื้อเชื่อใจผู้จะเอาหลักอเอาเกณฑ์อะไรไม่ได้ สถานะที่เคยได้เคอมีเคยเป็นอยู่ในสงังคมก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปก็เห็นได้ชัดว่าเป็นลักษณะของการป่าฝุ่นทวนลมลักษณะของการถ ม, ถมน้ำลายรถฟ้าลักษณะของการถือคบเพลิงทวนลมซึ่งมีผลในการวัุสรายตัวเองขนาดนั้นผลที่เกิดการจากการโกหกของเรานั้น สมมรโกรหกประสบความสมเร็จก็ทำลายคนอื่นได้ระยะสั้นๆแต่บาปกรรมที่เกิดขึ้นจากเจตนาพูดโกหกลงไปเราก็เสียสถานะในสังคมนังกล่าวจิตใจก็ไม่สงบไปนปกติมีความเดือดร้อนแล้วก็ตายไปก็ตกตนกุทีิเจ้าทรงสแสดงว่าคนพูดโกหกนั้นยอมตายไปสู่นรก แล้วมาโกกแล้วก็ไม่มีบาปอะไรที่ทําไม่ได้ปริมาณของบาปก็จะเพิ่มขึ้นแสดงว่าความมืดผดในนั้นเหตุผลสติปัญญาก็จะเพิ่มขึ้นบาปอคุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเพิ่มพู้นมากยิ่งขึ้นซึ่งหมายความมาอยังไงหมายความวมาตัวเองจะทดใช้บาปเหล่านั้นมากขึ้นลักษณะการส่อเสียดคือยุ่ยุยให้เกิดความแตกแยกมันอาจจะเกิดจากความ ริสยาเกิดจากความแข่งดีเกิดจากความโกรธเกิดจากความต้องการจะได้ผลประโยชน์จากบุคคลสองฝ่ายหรือว่ารับจ้างอะไรใครมาก็ตามรุนแล้วแต่เป็นอาการของวิชาที่ออกมาเป็นรูปของทิเลสประเภท ต, ต่างๆดังกล่าวเพราะจาการสอดเสียดยุโยงให้เกิด ค, ความแตกแยกนั้นสมมุติว่าเขาแตกแยกกันก็เป็นผลประทุสรายต่อเขาในระยะหนึ่ง แต่ถ้าทีหลังจับได้ไล่ทันว่าเราเป็นคนรู้ยงเป็นคนสายคล้ายเป็นคนสายความกันเราก็จะถูกรังเกยียดเดียวฉันจากสังคมอาจจะถูกปร ะ, ประทุษร้าจากสังคมแม้จะไม่ถูกรังเกยียดเดียดฉันไม่ถูกประทุษร้ายเพราะไม่มีใครทราบว่าเราไปดูยง ส, งส่งเสริมไม่เกิดความแต่แย่แต่บาปรกรรมเหล่านั้นก็คือบาปรกรรมที่จะนวงเหนี่ยวบุคคลไปสู่อรม แล้วก็เสวยผลในลักษณะต่างๆเราจึงพบว่าคนบางคนที่ประสบผลในปัจจุบันทุกคนกล่าวหาทุกคนนินทาทุกคนซุบซิบว่าร้ายในด้าต่างๆจนไปที่ระแวงสงสัยไม่แน่ใจของคนต่างๆมีการรังเกียดเดียฉันจากบุคคนท่างายส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของอดีตกรรม ที่เราได้กระทํเอาไว้แล้วก็มาสนองผลให้เราประสบผลเช่นเดียวกับที่เราเคยทําแก่บุคคลอย่าตัวอย่างที่ท่านเล่าถึงพระวิสุ์รูปหนึ่งชื่อว่าโคนทานเป็นพระที่แปลกคือเวลาท่านเดินบินทบาตไปไหนในช่วงจังหวะที่ห่างระยะระดับหนึ่งนั้นจะมีคนเห็นผู้หญิงอยู่ข้างหลังของทาง่าน แม้อยู่กุติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแต่ท่านเองไม่เคยเห็นเรียกคนอื่นม อ, ม, มองมาในจุดหนึ่งก็จะเห็นจนเกิดเรื่องราวต่างๆกันเป็นอันมากชาวบ้านเวลาตักบาตเองสำหรับพระรูปอื่นก็ถวายหนึ่งทัพทีแต่สำหรับท่านก็ถวายสองทัพทีเพราะเผื่อผู้หญิงคนนั้นด้วยมีการตำหนิตีเตียนมีการทุกซิปดินทากันเป็นอันมากจนถึงพระเจ้าปัดเสนทุกข์โศนต้องมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แล้วกราบคูณถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกควาเป็นอดีตกรรมมันเป็นวิบากกรรมที่มาสนองผลเกิดขึ้นมาจากในอดีตการนานไกลพระรูปนี้เกิดเป็นลุกเทวดาเลนพระเทรดาสองรูปมีความสมานตะมะขีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็เกิดริษยาเกิดต้องการจะลองดีขึ้นมาก็ปลอมตัวเป็นผู้หญิงไปอยู่ข้างหลังพระพิสุรูปหนึ่ง ทำให้อีกรูปหนึ่งเห็นแล้วเกิดรังเกียจเพื่อนด้วยกันก็เกิดความแตกแยกกันหรือว่าประกรรมเหล่านั้นเองก็ทําให้ท่านได้รับผลเช่นเดียวกันในชาติปัจจุบันท่านก็มาเกิดเป็นพระโกนาฐานลุกเทววรุกเทวดาตัวนั้นมาเกิดเป็นพระโกนาฐานเพราะฉะนั้นภาพผู้หญิงเหล่านั้นที่จริงมันไม่มีจิตแต่เป็นภาพที่เกิดจากวิบากกรรมทามให้ท่านเสื่อมเสียถูกตําหนินี่ตีเตียนถูกดินทาถูกกริบก ร, ราบในทางสมปรมารถนี้ โดยการสนองผลของบาปแม้ในชาตินั้นท่านกำลังจะบรรลุมผลเป็นพระอาหารหันต์แล้วบาปมันก็ติดตามทัานไปเพทาะคนไม่มีอวิชชาในจุดนี้ก็จะไม่ประพฤติไม่กระทำในลักษณะนั้นเพราะผลที่เป็นบาปที่สนองเรานั้นมากมายเทียบกันไม่ได้เลยกับที่เร า, เร า, าประทุสล้ายบาคนเดือนการพูดคาหยาบเป็นคําพูดที่เกิดขึ้นจากจิตที่หยาบ เราเห็นว่าคำหยาบนั้นจะเกิดจากความโกรธเกิดจากความริษยาเกิดจากความแข่งดีเกิดจากความขัดเคืองหรือหมายความว่าใจเราไม่ปกติถ้าใจปกติมันกลาวคาหยาบไม่ได้ความหยาบนันต้องเกิดมาจากจิตก่อนถ้าจิตไม่หยาบคำหยาบก็จะไม่เกิดมันแสดงว่าเราคิดหยาบก่อนจนจะหยาบเพราะโกรธเพราะโลภเพราะริษยาเพราะแข่งดีเพราะ ความคิดประทุสร้ายความคิดเบียดเบียนอะไรก็ตามแต่ทั้งหมดนัมันก็คืออคุศลเมื่อกล่าวคำหยาบออกไปคนอื่นจะรู้สึกไม่พอใจจะรู้สึกเสียใจก็ตอนนั้นเขาจะรับผลเฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเด็กคนที่เรากล่าวคำหยาบด้วยแต่เรานั้นรับผลทั้งในชาติปัจจุบันและในชาติภายภาคหน้า ก็กลายเป็นคนที่มีปัญหาแม้ในพบในชาติต่างๆวิบากกรรมที่อำนวยผลให้ในทางที่ไม่ดีลักษณะการพูดเพื่อเชื่อหลายๆก็เป็นเช่นเดียวกันมันก็ทานองเดียวกันทั้งหมดมาความทุจริตทั้งหลายนั้นจะออกมาในรูปของการเปล่าพูนทวนลมการถมนมํำลายรถฟ้าคนที่เกิดขึ้นแก่คนอื่นนั้นมันไม่มากมายรุนแรงอะไรอย่างมากก็แค่ตายแันะ พราจริงๆแล้วเราจะฆ่าเขาหรือไม่ฆ่าเขาเขาก็ตายอยู่แล้วเพราะความตายเป็นปกติธรรมดาแต่การที่คนเราไปฆ่าคนอื่นเขานี่บาปรกรรมที่เกิดขึ้นจากการฆ่านั้นมันมากมายไกลกองแต่ถ้าคนที่เราฆ่าเขามีบุญมีกุศลอยู่แล้วก็ตายไปด้วยใจที่สงบเขาก็บังเกิดในสุคติในขณะที่เราต้องตกนรกแล้วก็ไม่ใช่ชาติเดียวครั้งเดียว การเลี้ยงชีพในทางที่ผิดที่เรียกว่าเป็นมิจฉาอาชีพชีวิตในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็คือเป็นกระบวนการธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุปัจจัยการเลี้ยงชีวิตนั้นเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยในการดารงชีวิตไม่ใช่ตัวชีวิตแต่เราจำเป็นต้องมี เพื่อรักษาชีวิตไวให้ได้ตอนนั้นแต่เมื่อเราตายจากไปแล้วสิ่งทั้งปวง ก, ก็ทิ้งไว้ในโลกนี้จะได้ได้กล่าวไว้เป็นคำกรอนสอนใจไปเราะวายศได้ลาภาปไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญบุญศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้พวงโชดแม้ร่างตนก็ยังเอาไปเผาไฟเป็นการแสดงถึงศัตรูธรรมคือความจริงว่ไม่ต้องพูดถึงทรัพย์หรอกไม่ต้องพูดถึงบ้านเรือน แม้แต่ตัวเราเองก็เถอะเรายังเอาไปไม่ได้เลยอุตส่าห์ปลนปรื้มทนุถนอมดูแลเอาใจใส่สารพัดอย่างตกแต่งประดับประดาดูแลเขาเอาใจเขาแต่เขาก็ไม่เคยนผาผาไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนองตอบความต้องการของเราเพราะว่าเขาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาแต่ในขณะเดียวกันเพื่อเขาเราก็อุตส่าห์ไปทําบาปด้วยประการแตา่าง เพื่อปลนปลื้เพื่อหล่อเลี้ยงเพื่อบำรุงบำเรอด้วยประการต่างๆเพื่อการสร้างเนื้อบาปหนังบาปขึ้นมาในร่างกายตัวเองเราถึงจุดเดืองเราก็ต้องทิ้งเข้าไปอย่างนี้ทรงสอนให้บุคคลพิจารณาถึงสังขารร่างกายที่กล่าวไว้ในบทที่เรียกว่าบางสกุลเป็นบางสกุลตายซึ่งใช้ในพิธีกรมรมทางพุทธศาสนา เป็นการสะท้อนสะจากคอนชีวิติชัดเจนว่าชีวิตมันก็เป็นขมันอย่างนี้แหละรัสั่งเป็นบาลีว่าอจาิรังวตาอย่างกายโยกายนี้ไม่นานเลยวัตถวีญญาติเสดสติจะล้มลงเหลือแผ่นติดสุดดวเปตวิน ญ, ญาโนภโวิญญาณออกไปจากร่างแล้วนิรัตทางว่ากดิ่งกระดังก็เมือนก็นทอดิบไม้หาสาระแก่นสารไม่ได้เราต้องทําบาปเรื่งปืนปืนท่อนไม้ซึ่งจะต้องหกลมจะต้องหก ลมลงไปบนพื้นดินได้ต้องเปืยหน้าผูพังอยู่บนดินการกาะกลุ่มของธาตุดินจะไปสู่ดินน้ำไปสู่น้ำลมไปสู่ลมไฟไปสู่ไฟ อ, อากาศไปสู่อากาศแล้วทำไมจะต้องไปทำป่าเพื่อพิ่มปูดตรงนี้ก็แสดงเห็นว่ามันมีอวิชชาคกอับความมืดบอดถูกไหมเป็นการทำในลักษณะที่ย้อนเข้าหาตัวเอง และสิ่งที่ย้อนเข้าหาซึ่งเกิดขึ้นจากมิจฉาชีพนั้นเผนสังเกตว่ามันก็ทุกขเทืททอนคนมากเลยเป็ น, ปนการประทุษร้ายต่อชีวิตของบุคคลอื่นอย่างน้อยอก็คุกคามสวัสดิภาพของบุคคลหนึ่เป็นการประทุษร้ายต่อทรัพย์ของบุคคลอื่นเป็นการประทุษร้ายต่อผู้ครอบครองของบุคคลอื่นในกระบวนการของมิจฉาชีพ สิ่งที่เราค้าสิ่งที่เราขายสิ่งที่เราปิดสิ่งเราจําหน่ายนั้นจะมีเจตนาที่เป็นบาปเป็นตัวสร้างขึ้นมาก็แสดงว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือผลของบาปของกุศลที่เราสร้างขึ้นคนอื่นอาจจะเดือดร้อนเพราะการใช้สินค้าปลอมเราขายสินค้าปลอมสมมติว่าแพงเกินไปอะไรก็ตามคืสรุปว่าพราะคงเดือดร้อนในระยะสั้น ในเพราะบาปกรรมที่เลี้ยงชีพในทางที่ผิดเป็นการประทุษร้ายต่อทรัพย์ต่อชีวิตต่อคู่ครองของบุคคลอื่นนั่นเป็นสิ่งที่เขาจะต้องชดใายและติดตามเข้าไปสรุปแล้ ว, วทั้งหมดนั้นเป็นการกระ ท, ทําบาปแต่เราก็เพราะอาวิชชาเนี่ยมันปิดฟังเอาไว้ก็ไม่เข้าใจมันเป็นบาปบาปแล้วไม่จะสนองผลเฉพาะในขณะนั้นมันสนองผลยาว ที่ทรงแสดงว่าเหมือนล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโผลไปหรือเหมือนกับเงาที่ติดตามบุคคลไปมันไปกับเราด้วยทุกคนทุกแขนและพร้อมจะทําทหน้าที่ในประเภทต่างๆความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราในด้านที่เป็นความเสื่อมก็เกิดขึ้นจากบาปจากกุศลที่ไม่รากง่ามมาจากวิชฌาความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีที่ออกมาทางโดยสุจริตทางใจตะวนันก็เกิดขึ้นมาจากวิชาคือความรู้ ความรู้เพิ่มขึ้นอวิชามก็ลดเมื่อมีเหตุมีผลมีสติปัญญ า, าวิชาก็เพิ่มขึ้นความโลภความโกรธความหลงความริษาศึกยาค้าดไเป็นตัวก็จะถูกควบคุมเอาไว้ไม่ได้ใช่อารมณ์แล้วสนัพร่ำเพรื่อแต่ถ้าถึงคราวชายมันก็กลุ่มความรุนแรงไว้ได้ที่วิชาก็กลายเป็นประโยชน์ขึ้นไปได้ ฉันอาจจะโกรธคนไร้จิตนิสโนมกันแต่คุมความโกรธไปได้ใช้คําพูดว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามอาจจะดุดา่าหรือต้องการให้เขามีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแม้คํามันจะหยาบต่อใจมาหยาบก็ไม่ถือว่าหยาบทีนี้การทําออกมาได้อย่างนั้นแสดงว่าวิชาต้องจางลงไป แต่วิชา ย, ยังไม่จางการพูดไปด้วยความโกรธความริษยาความขัดเคืองความผูกโกรธความมาคาดพยาบาทด้วยความโลภความกำหนัดอะไรก็ตามมันก็เกิดขึ้นมาได้ดังนั้นทําให้เส้นทางชีวิตของบุคคลที่เรียกว่าออกมาเป็นสองกระแสมันสืบเนื่องมาจากธรรมธรรมะเรียกว่ากุศลและอกุศล เพรากระแสชีวิตของคนเรามันก็จับมาจากตรงนี้คืออยู่ในกระแสกุศลหรืออยู่ในกระแสของอกุศลคือโง่หรือฉลาดทีนี้คําว่าโง่หรือฉลาดโง่มันก็เป็นอาการของวิชาฉลาดมันก็เป็นอาการของวิชาเพราะอาวิชชานั้นเองทําให้เราไม่ฉลาดจากความไม่ฉลาดนั่นเองทําให้บุคคลรู้อํานาจเกีค่ความบโรคปวดกลบความคิดก็ไปตามกระแสของวิชา ปริมาณของความโรคความปวยความดลง ก, ก, ก็เพิ่มขึ้นต้นรายเห็นว่าความคิดผิดก็คือคิดจากไม่มีเหตุผลเชื่อมโยงอะไรกันไม่ได้ไม่สามารถมองจากผลมาหาเหตุหรือมองจากเหตุไปหาผลในสุดจะแก้ปัญหาขึ้นมาต้อแก้กันสเสะปะสปะแม้บางครั้งบางคราเป็นลัทธิาศาสนา แต่เพราะมีวิชาอยู่มากพอแก้ปัญหามันก็กลายเป็นการสร้างปัญหาในประเด็นอื่นต่อไปอย่างเช่นมองเห็นว่าคนประพฤติละเมิดศีลธรรมกันมากก็ค่าคนอื่นก็จับคนเหนั้นมาฆ่าเสทีนี้ถ้าคนเหล่านั้นมีลูกกำมังเล็กๆจะต้องส่งเสริมสนับสนุนให้การศึกษาเราพ่อแม่เข้ามาฆ่าเสียเด็กจะอยู่กันยังไง เด็กเหล่านี้ก็คือประชากรที่อยู่ภายในชาติมันก็มีปัญหาต่อไปในสังคมเธอไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนก็สร้างปัญหาในจุดนั้นจนถึงอาจจะต้องประกอบอาชญากรรมเพราะไม่มีความรู้ความสามารถในการที่จะทามาลยงจิบแล้วกลายเป็นปัญหาในเกิดขึ้นในสังคมหรือคนที่ลักทรัพย์ขโมยทรัพย์สินบุคคนอื่นก็นํามาตัดมือใชเพื่อไม่ลักขโมยต่อไปแต่คนเหล่านั้นต้องกินต้องอยู่ต้องใช้ต้องอยู่ในสังคมนี้เอง เขาทำงานไม่ได้แต่เขาคงกินคงอยู่คงใช้ก็กลายเป็นการต้องบริโภคไปกินเรียปนรกินแรงบุคคลอื่นเป็นปัญหาสังคมดังันวิธีการความพาสนาจึงไม่ได้สอนในแนวนั้นสอนในแนวว่าผลตงหลายนั้นเกิดมาจากเหตุการแก้ปัญหาการจะสร้างสรรพัฒนานั้นต้องกลับไปตั้งหนึ่งที่เหตุ ก็ต้องโครงสร้างของอรลยสักดังน้นทุกนั้นเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุเพราะงั้นถ้าจะแก้ทุ ก, ก็แก้ที่ตัวสมุทยัยไม่จะไปแก่ตัวทุกนิโรธเป็นผลมักเป็นเหตุ้าจะต้องการให้ได้เกิดนิโรธขึ้นมาก็ต้องลงมือประพฤติปฏิบัติไปตามมากไม่ใช่ไปคว้าไปจับอยู่ที่ตัวนิโรธเพราะนิโรธเป็นเพียงผลดดนั้นเองถ้าไม่มีเหตุก็เกิดขึ้นไม่ได้ และถ้าเห็นผิดนั้นก็จะไม่เห็นในกระบวนการของเหตุผลก็กลายเป็นการปฏิเสธโดยไม่รู้บางทีไม่รู้ปฏิเสธอะไรและสิ่งที่ตัวปฏิเสธนั้นคืออะไรเป็นความเห็นผิดที่รุนแรงซึ่งหมายความอวิชามันก็แรงเห็นผิดว่าการกระทําไม่ผีดการกระทํำผลทลายไม่เกิดมาจากเหตุแล้วก็ถือว่าไม่มีความดีความชั่วไม่มีบาพปุญไม่มีพ่อแม่ไม่มีคุณโลกนี้โลกหน้าไม่มีอะไร เป็นอาการของความมืดมดในด้านเหตุผลในด้านสติปัญญาแสดงว่าอะไรแสดงเอาวิชามันมีอยู่มากก็ทําทให้ชีวิตของบุคคลเราก็เดินไปในเส้นทางของก็เรียกมิจฉามักคือทางที่ผิดในขณะที่คนที่มีปัญญาก็เดินทางไปในสมัมมามักเกิดในทางที่ชอบทาให้ผู้เดินเรียกว่าทุกขโตคือเดินไปชั่วเดินไปลําบากเดินไปเดือดร้อน สถานที่ไปในจุดหมายปลายทางระดับหนึ่งระดับโลกหน้าก็คืออบายทุกติบินิบาตในโลกแต่ในสายหนึ่งที่เรียกว่าสายสมามาัคคุเทางชอบมันก็มีวิ ช, ชาเป็นฐานจะส่วนจะมีปริมาณมากน้อยยังไงก็เป็นรายละเอียดทําให้สามารถควบคุมโรค ก, กดตรงไม่ได้ผู้เดินก็กลายเป็นสุขกโตคือเดินไปดีเดินไปงามเดินไปสะดวกสบายสถานที่ไประดับโลกหน้าก็คือ สุกติได้แก่โลกสวรรค์นั้นเป็นสูตรที่ปรากฏทุกคนทุกข่งตามที่ทรงแสดงเอาไว้เพราะอวิชชาจึงทรงสอนในรูปของการลดละบรรเทาความรุนแรงของอวิชชาความมืดบอดของอวิชชาเพื่อจิตนั้นเป็นอิสระได้ตามสมควรอย่างน้อยควบคุมความคิดควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในขนลองของเหตุผลและความดีแม้จะมีอวิชชาอยู่ แต่ไม่ถึงกับมืดบอดจางรุนแรงเกินไปใจของบุคคลก็จะรับรับรับความสุขความสงบได้ตามสมควรต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสุขต่อไป